สิบเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เนปเนอุชตัวเนปเนอุชเมื่อวานเป็นวันเสาร์ ตวเสชมตตวเสชมตเมื่อวานดิฉันไปดูหนังตวสเกนิชตวสเกนิชหนังน่าสนใจภาพยนต์น่าสนใจฟิล์มร์กสั่นนฟิล์มร วันนี้เป็นวันอานทิตย์ปะทวัเปะทมวันนี้ดิฉันไม่ทำงานเงีปะซอฟารบปะซอฟารบดิฉันอยู่บ้าน เซอุนัมสกินัชต์พรุ่งนี้เป็นวันจนนันเนยูชบชบลิปะพรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีกเนยูชอฟสอนน์์สูบลจิชต์ ดีฉันทำงานที่สำนักงานเซอร์ออฟิซิมออฟชิซคนนั้นคือใครัตม์ร์คนนั้นคือปีเตอร์ ปีเตอร์เป็นนักศึกษาปีเตอร์สตูดีเตอนต์คนนั้นคือใครฮัตมอร์ฮัตมอร์คนนั้นคือมาธามอร์มาธามอร์มาธามาธาเป็นเลขาหนุ่การ มาร์ต์เศรษฐกร์มาร์ต์เศรษฐกร์ปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกันปีอตเตอร์มาร์ตเตอร์เซนบ์เจโอห์ปีอตเตอร์มาร์ตเอร์เซปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาธาปตรมารยบ์เ มาท่าเป็นเพื่อนของปีเตอร์มาร์ตินปีเตอรอับโจปีเตอร์อักรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด